ใจของเรานะมันมีสองอย่างที่ต่อสู้ขับเคียวกันที่เราแย่งชิงพื้นที่นะในใจเราก็ได้อย่างแรกคือรู้อย่างที่สองคือหลงนะรู้กับหลงนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ไดนะ้ก็ต้องพยายามที่จะ ย่งริงพื้นที่ในใจของเราสองอันนี้ขับเคี่ยวกันเมื่อใดก็ตามที่รู้ครองใจเรานะก็เกิดกุศลขึ้นแต่เมื่อก็ตามที่หลงครองใจเราก็เกิดอกุศลเช่นถ้าลงในความสุขเพลิดเพลินในความสุขก็เกิดความประมาทขึ้นชลาใจ นนิ่งนอนใจหรือว่าถ้าหลงในในอารมณ์โกโรธเนี่ยมันก็ทำให้จิตคิดร้ายอยากจะพูดร้ายอยากจะทำร้ายถ้าหลงในอารมณ์ยามันก็ บางทีอยากจะแย่งชิงหรือว่าถึงขั้นทําร้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอันนี้ก็คือส่วนใจนะในร่างกายเราก็มีเหมือนกันนะมันก็มีการต่อสู้กันวิทยาศาสตร์พมันมีสารสองตัวนะในร่างกายเราตัวหนึ่งมันกระตุ้นให้ร่างกายตื่น กตัวนึงก็กล่อมกลาร่างกายให้หลับตัวแรกก็เขาเรียกว่าอะไรอารักซีนตัวที่สองเรียกอะดีโนซีนสองตัวนี้มันก็ต่อสู้กันเรียกว่าต่อสู้ขับเคี่ยวกันก็ได้ถ้าตัวไหนมากนะก็มีทธิพลเช่นถ้าอารักซีนหรือว่าตัวตัวกระตุ้น มันมีมากกว่าอะดีโนซีนก็ทำให้เราตื่นแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนอะดีโนซีนนี่มันมันมีมากกว่ามันก็ทำให้หลับแต่ว่าเป็นโชคของเราก็ได้คือว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็มันก็มาเป็นเวลาหรือว่า การขึ้นการลงของสารสองตัวนี้มันก็มีมาเป็นเวลาอย่างเช่นพอเริ่มสว่างนตัวอะลักซินมันก็ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นมันทาให้เราตื่นแต่พอตกค่ำนี่อะลักซีนค่อยลดลงลดลงอดิโนซีนค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นทำให้เราง่วงหลับมันมาเป็นเวลา ยกเว้นนะบางคนบางช่วงบางกลางวันแล้วก็ยังง่วงอยู่แล้วกลางคืนแล้วก็ยังสว่างอยู่ให้นะนคนเราเนี่ยหลับแล้วก็ตื่นเป็นเวลานะี่ยอันนี้พดูดโดยทั่วไปเมื่อไหร่ที่เราตื่นเราก็นะเราก็รู้ชัดนะว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเวลาหลับนี่เราไม่รู้อะไรเลย ใครมานั่งอยู่ข้า ง, างเราก็ไม่รู้โควิยจะเข้ามาในบ้านเราก็ไม่รู้ท่านหลับนี่นะคะที่เราหลับแล้วตื่นเป็นเวลานะแต่ว่าไอ้ความรู้แล้วหลงในใจเรานี่มันไม่เป็นเวลานะแม้ในยามตื่นก็ยังหลงได้นะยามตื่นยังหลงได้ ทำอะไรก็ไม่เคยรู้ชัดคนที่ตื่นแต่ว่ากิจใจหมกบุญกับบางเรื่องนะเดินผ่านอะไรไปก็ไม่ได้ยินนะหรือว่าไม่ได้ไม่เห็นด้วยบางทีวางของอะไร ก็ไม่รู้เลยซ้ว่าวางถึงเวลาจะหาก็หาไม่เจอเพราะตอนนั้นกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่นะคนที่ขับรถกลับจากที่ทำงานเสร็จแล้วก็วางกุญแจไว้บนโต๊ะหรือว่าใส่ลิ้นชักไว้แต่ตอนนั้นเนี่ยทำด้วยความหลง ถึงเวลาจะหารถหากุญแจก็หาไม่เจอเพราะตอนนั้นลืมตัวไปอยู่ในความอยู่ในความคิดนะอันนี้ก็าหลงกันนะถึงแม้ว่าจะยังตื่นอยู่ยึงมว่าจะทำอะไรได้การว่าจะทำอะไรได้ตามปกตินะแต่ว่ามันทำด้วยความหลงหรืว่าแต่อะไรเลยคนที่หลับอยู่เนี่ยบางทีก็ยังเดินไปไหนมาไหนได้เลยอันนี้เรียกว่าเรียกว่าละเมอ คนละเมอนี่หนักๆ น, นี่เดินออกไปข้างนอกได้นะเดินลงบันไดก็ได้นะโดยที่ไ ม, ไม่ไม่สะดุดเดินออกไปนอกบ้านเดินได้ถูกด้ว น, นะเปิดเปิดประตูออกนก็เรียกว่าทำทำกิจได้เหมือนกับปกตินะแต่ว่ามันก็ยังเรียกว่าหลับนอันนี้ก็คือละเมอ แต่คนที่ตื่นอยู่ก็อาจจะเหมือนคนละเมอก็ได้คือทำอะไรไปไม่รู้ตัวแต่ว่ามันทำจนคุ้นจนเคยทั้งคนเราแม้ตื่นแม้ร่างกายตื่นแต่ใจนี่หลงก็ได้อาการ เราจุดมางชีวิตคนเราเนี่ยถ้าพูดในแง่ของชาวพุทธหรือนักปฏิบัติธรรมแล้วก็คือว่าเพิ่มเพิ่มหลงให้ให้มากกว่ารู้หรือทําให้ใจของเราเนี่ยเพิ่มรู้ให้มากกว่าหลงหรือว่าทําใจของเราเนี้ยให้มันรู้รอบจนกระทั่งไม่มีพื้นที่แห่งความหลงเลย แต่ว่าความลมก็ฉลาดนะมันก็พยายามที่จะมามาช่วงชิงนะมาคลองใจของเราเผลอไม่ได้นะแม้แต่เวลาเราเนี่ยเวลาเรามาเจริญสติเนะี่ยยกมือสร้างจังหวะตามลมหายใจเดินจงกลมจุดหมายก็คือเพิ่มเพิ่มเพิ่ ม, มตัวรู้ ให้มันเต็มจิตเต็มใจของเราเป็นการต่อสู้กับความหลงโดยตรงเลยแต่แม้กระทั้นเนี่ยความหลงก็ยังโชวโอกาสเข้ามาครองใจเราได้บางคนยกมือไปแต่ว่าใจมันหลงไปละคือทำไปโดยไม่รู้ตัวเดินจงกลมก็เดินแบบไม่รู้ตัว พ่อกาลังคิดเรื่องงานเรื่องการหรือกําลังมีความคิดเคียดแค้นกับใครบางคนหรือวิตกกังวลอะไรกับอะไรบางเรื่องตอนนั้นเนี่ยนะแม้ว่าตั้งใจเดินเพราะอยากจะรู้นะแต่ว่ามันกับมีความหลงนะเต็มจิตเต็มใจาความหลงมันฉลาดมากนะ เวลาฟังธรรมล้วก็ฟังนำเพื่อเพื่อปลุกตัวรู้นะเพื่อสร้างตัวรู้ให้มีกำลังนะแต่ว่าบางทีมันก็หลงความหลงก็เข้ามาชโชว์อกาสใจลอยไปโน่นไปนี่หรือบางทีก็ไปหลงยึดกับอะไรกับบางข้อความอ่ บรรยายคนบรรยายนี่บรรยายไปไกลแล้วนะแต่ว่าเจ้าตัวยังติดอยู่กับบางคำนะที่ได้ยินเมื่อห้านาทีที่แล้วสิบนาทีที่แล้วอันนี้ก็หลงกันนะคือมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนเรานี่จะจะรู้เนี่ยก็เพราะมันอยู่กับปัจจุบันไม่ติดอยู่กับอะไรไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์รวมทั้งไม่ติดอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงที่ ที่ที่ได้รับรู้ซึ่งมันอาจจะการเป็นดีตไปแล้วไม่ช่เรานั่งรถบนทางด่วนนะเห็นป้ายโฆษณาบิลบอร์ดนะบางทีผ่านไปไกลแล้วนะรถเลยป้ายนั้นไปไกลแล้จ่าก็ยังก็ยังเห็นภาพ อาจจะเป็นภาพผู้หญิงอาจจะเป็นภาพบ้านภาพรถนะอจากก็ยังติดตึกอยู่กับภาพมันอยู่นะอันนี้ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันนะคือมันหลงอยู่ในอดีตนะเราต้องฉลาดนะในการที่จะรู้ท่าทันอุบายของตัวหลงมันมา ในวิธีการที่แนบเนียนมากบางทีการนับถือศาสนาของเราเนี่ยทั้งที่เรานับถือเพื่อต้องการทำให้ใจสว่างเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดตัวรู้ขึ้นมาแต่บางทีศาสนาตัวเองก็ทำให้หลง เช่นหลงหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามันาศาสนาของเราดีาศาสนาของเราประเสริฐหรือว่าไปดูถูกาศาสนาอื่นอันนี้มันเกิดความหลงตัวลืมตนขึ้นมาแบบละเอียดไม่ใช่หลงตัวลืมตนว่ากูเก่งกูเก่ง แต่ว่ามันมีความหลงตัวตนนึกว่าศาสนากูมันแน่ศาสนากรูดีมันก็เป็นความหลงในตัวตนแบบหนึ่งแต่เป็นตัวตนที่กว้างย่างกว้างใหญ่กว่ากว่าตัวบุคคลหรือประเทศชาติของเราเปประเทศชาติที่ยิ่งใหญ่เป็นประเทศชาติเป็นประเทศที่ไม่เหมือนใครนคนไทย อบอ้อมอารีไม่มีชาติใดเสมอเหมือนอันนี้ก็ก็เป็นความหลงอย่างนึงด้เหมือนกันนะว่ามันทำให้หลงติดอยู่กับอยู่กับตัวตนนะเป็นตัวตนที่มันใหญ่กว่าตัวบุคคลบางทีก็หลงนะในในวิธีการปฏิบัตินะ เราปฏิบัติก็เพื่อทำให้เกิดความรู้ความกระจ่างแต่ว่าก็บางทีก็ไปหลงติดนะทำไปทำแปไปหลงนะว่าเนี่ยวิธีเนี่ยประเสริฐที่สุดดีที่สุดวิธีอื่นไม่ดีเท่านอกาปฏิบัติธรรเนี่ยที่ที่อยู่ในความหลงนะมันก็เยอะนะ บางทีอาจจะมากกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเลยก็ได้เพราะว่าในความหลงนี่มันฉลาดมันสามารถจะมาในรูปลักษ์ที่เราคิดไม่ถึงบางทีบางทีก็มาในรูปของศาสนาหรือความเชื่อที่ถ้าเรา หลงเชื่อโดยที่ไม่ได้ไต่ตองนะมันก็ทำให้หลงหนักขึ้นเวลาเราเจสติเนี่ยดูง่ายๆก็แล้วกันเวลาเจอสติเนี่ยนะเราก็พยายามจะรู้นะพยายามจะรู้สึกรู้สึกรู้สึกแต่ว่ารู้ไปเดียวเดียวเดี๋ยวไปแล้วหลงแล้วปฏิบัติสักหนึ่งนะ ห น, นาทีนี่อาจจะอาจจะรู้แค่ไม่ถึงสิบวินาทีนะอีกหกสิบวินาทีอีกห้าสิบวินาทีนี่มันมันอยู่ในความหลงหลงในความคิดหลงในอารมณ์หลงติดอยู่ในอดีตหลงในอนาคตคือลืมตัวนั่นเองไม่รู้ว่ากํกาลังทําอะไรอยู่ในตอนนั้นใหม่ๆนี่ความหลงจะดึงใจเราไปเรื่อย แต่ถ้าเราไม่ไม่ท้อไม่ถอยเราทำความเพียนไปนะมันจะหลงยังไงก็ทำนะซึ่งอันนี้ก็เป็นดาศสำคัญเพราะหลายคนพอทำไปสักพอทาไปห้านาทีฟุ้งมากก็เลยท้อเนี่ยทำไปสักเจ็ดแดครั้งหรือสี่ห้าครั้งรู้สึกมันฟุ้งเหลือเกินห้านาทีก็เลิกหลายคนจะมาบนว่าเนีย้ปฏิบัติไม่ได้เลยนะ ทำยังไงเนี่ยหรือบางคนบอกเลิกปฏิบัติไปแล้วเพราะว่าทำแล้วมันฟุง้งว่าซึ่งเขาไม่ร่วมเป็นธรรมดาในการฟุง้งเพราะว่าเราให้อาหารความหลงมานานเลี้ยงความหลงมาต้องนา น, เ, นเลี้ยงมาทั้งชีวิตเลยจะให้มันหายไปง่ายๆมันก็เพ้อฝันไปหน่อยนั่นมันทำไปทาไปเนี่ย ไม่ท้อถอยกับการปฏิบัติความตัวรู้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนทําปุ๊บหลงปั๊บเลยตอนหลังเนี่ยมาเริ่มมีการยื้อแยงกันแล้วปฏิบัติไปถึงช่วงหนึ่งมันมีการยื้อแยงกันในช่วงที่ยื้อแยงเนี่ยยือย้อจุกกระชากกันว่างรู้กันหลงนี่เบลเบเจารู้สเบลเบลหน่อยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงมันถีมากจนเบลแต่พอทําไปเรื่อยๆเออมันจะชัดขึ้นชัดขึ้น เวลามีความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวทุ่มพร้อมเนี่ยนะมันจะชัดข้างนอกมองแล้วก็ชัดเนี่ยเห็นรูปก็เห็นชัดเสียงมาก็ได้ยินชัดไม่เหมือนกับตอนที่หลงอยู่นะแม้แต่เดินตรงกลมเนี่ยนะตั้งใจจะเดินเพื่อให้รู้แท้ๆนะความหลงก็่เอาไปอาเอาไปกินจนได้พาคนเดินตรงกลมนะล่าสุดที่เพชรบุรี ก็มีเสียงจิ้งเหลีย่ยมันกรีดร้องอยู่เป็นระยะๆพอเดินจบนะประมาณสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีถามว่าได้ยินเสียงนกบ้างอ๋อหลายคนตอบว่าได้ยินแต่พอถามว่าดินเสียงจิ้งเหลี่มไหก็มีคนเดียวได้ยินท่านถามว่าทาไมถึงไม่ได้ยินก็พอส่วนหนึ่งนะ มันลงก็เป็นในความคิดนะตอนที่เดินอยู่หรือตอนที่หยุดอยู่มันลงก็เป็นในความคิดก็เลยไม่ได้ยินเสียงมีบางคนก็ตอบไปเป็นเพราะว่าไปภาวนาพุโทโธจิตมันบริกรรมพุโทโธพุธโทโธจิตมันไปเพ่งยู่ที่พุโทโธเนี่ยไอ้การเพ่งนี่มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมนะมันก็เป็นการรการรู้เฉพาะจุด บางคนก็ไปเพลงทีเท้าก็ไม่ยินอะไรเลยตอนที่เพลงเอออาจจะรู้สึกว่าเราเก่งนะจิตเรานิ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้ความรู้ตัวทั่วเพราะมันมันพร่องไป นี่ถ้าเกิดเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะปฏิบัติไปปฏิบนะัติไปมันก็จะรู้ก็จะมากกว่าหลงตอนหลังนี่มันห ล, ล, ล, ลงไปนิดเดียวเดี๋ยวก็รู้แล้วหลงไปนิดเดียวเดี๋ยวก็รู้แล้วคือรู้ทันตรงข้ากัตก่อนตอนใหม่ๆนะรู้นิดเดียวเดี๋ยวก็หลงแล้วรู้สักพักเดี๋ยวก็หลงแล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งนี่มันหลงนิดเดียวก็รู้ เอคิดไปปั๊บเดี๋ยวก็รู้กลับมารู้สึกตัวอันนี้ก็เรียกว่ารู้นีมันเริ่มชนะลงนละ้วแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้พอทันทีที่เราสึก ด, ดีใจภูมิใจว่าเราเก่งนะอันนั้นก็เปิดโอกาสให้ความหลงเข้ามาอย่างที่เคยเล่านะคนที่อยากจะเลิกเล่าเนี่ยก็พยายามเลิกเท่าไหร่ก็เลิมไม่ได้พระเดินกลับบ้านที่ไหนต้องวกเข้าร้านเล่า เป็นอย่างนี้ทุกครั้งจนกทั่งรู้สึกว่าไม่ได้แล้วจะต้องเลิกให้ได้แล้วเขาก็พยายามตั้งใจนะเดินผ่านร้านเหล้าจะไม่เลี้ยวเข้าไปในร้านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทําได้สําเร็จนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันโหมันสู้กับตัวเองมากเกือบจะพลาดพลั้งหลายครั้งแล้วพอเดินผ่านร้านเหล้าสําเร็จไม่วกเข้าไปในร้านเหล้า อย่างที่เคยทำครั้งแล้วครั้งเราก็ดีใจเสร็จแล้วความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาเอ้ยเรางั้นเราต้องไปฉลองชัยชนะสักหน่อยแล้วก็เดินเข้าร้านเหล้าเลย น, นี้ยนะคือตอนเขาก็พยายามตอนนี้ก็เดินเขาก็พยายามมีสติรู้เนี่ยมันสามารถเอาชนะหลงได้แต่พอชนะได้ดีใจในความหลงเข้ามาแทรกทันทีเลยแล้วมันก็เลยชวนให้ ไปฉลองชัยชนะที่ร้านเล่าาว้มันฉลาดมากนะเราจะเรียกหลงว่ามานก็ไดนะ้มานี่ในพระไตรปิฎกนี้มีเรื่องเกี่ยวกับมานเยอะจัดว่าเป็นหมวดหนึ่งแนละ้ชื่อมารสังยุทธ์นะโอ้เนใช้อุบายาต่างๆสารพัดทั้งขูให้กลัวทั้งชวนให้หลงต้องเอาเหตุผลมาล่อ มาหลอ ก, บ า, กาอบางทีก็มาเย้ยหยันบางทีมัก็มารังควานทั้งหมดนี้เพื่อให้เลิกปฏิบัติเพราะเลิกเพราถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็จะรู้รู้แจ้งจนกระทั่งมานี่ไม่สามารถจะเข้ามาครอบงําำล่อลอกได้มานี่มันก็เข้ามาครอบงําผ่านการ ม, มาสุกนะความหลงในการมถ้ายัางติดในการมเมื่อไหร่ก็ยังอยู่ในอำนาจของมาเมื่อนั้น า ก, การที่คนเราจะพ้นจากอำนาจของจะเป็นอิสระจากการมาสุขได้ก็เพราะว่ามีปัญญาเห็นเห็นว่ากรรมนี้มันก็ไม่เที่ยงการมนี้เป็นทุกข์เมื่อเห็นเช่นนี้ก็เป็นอิสระจากการมวางปล่อยวางจากการมได้ก็ทําให้มาไม่มีทิพยผลไม่สามารถจะมีทิพยผลต่อไปได้พยายามเข้ามากกบกวน ให้ตัวรู้นี่รู้รู้สำคัญมากเลยนะเพราะว่ากับดาของนักปฏิบัติธรรมที่ทําให้หลงเนี่ยมันมียเยอะโดยเฉพาะเวลาปฏิบัติแล้วเกิดเกิดความโปรง่งโล่งเบาสบายหรือเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยพอเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะยังทําหน้าที่รู้รู้ต่อรู้ว่ามีปิติเกิดขึ้นในใจรู้ว่ามีความเบาเกิดขึ้นในใจมีความสุขเกิดขึ้นในใจแทนที่ยังยังคง ยังตั้งจใจอยู่บนตัวรู้หรือทาหน้าที่รู้ต่อไปมันกลับหลงเพลินนะพอะเพลินในความปิติเพลินในความสุขนั่หละหลงแล้วะมันฉลาดมากบางทีหลงมัน ก, ก็ไม่ได้มามาชวนให้เราหลงด้วยความคิดพราพอเรารู้ทันความคิดพอเรารู้ทัน อารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็เข้ามาในโลกของอารมณ์ที่เป็นกุศลมันชวยโอกาสตอนที่อารมณ์กุศลเกิดขึ้นอตอนที่อารมณ์กุศลเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะหลงได้ง่ายแต่ที่จริงอารมณ์อกุศลก็เหมือนกันนะมันก็ทําให้เราหลงได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่หลงในละักษณะที่เคลิ้มตามันตอนที่เราไม่ปฏิบัติก็หลงด้วยการที่พลัดเข้าไปในความโกรธในความเกลียดในความ ในความเศร้าหรือแม้กระทั่งในความคิดทุงส์ซาดทดลองปฏิบัติปฏิบัอิไปมันจะไม่มันจะไม่ไม่ตามเข้าไปหลงเข้าไปง่ายแต่มันจะมาในอีกแบบนึงก็คือปฏิเสธผักใส่ไม่ชอบนะอันนี้ก็เป็นหลงอีกแบบหนึ่งนะเป็นความหลงอีกแบบนึงหนะลงเ พ, พราะหลงเพราะชอบนี่ก็อันหนึ่งนะอันนี้ก็พลังพลา ก, กันไปเยอะ หรือหลงพราะตามกิเลสเข้าไปตามความคิดเข้าไปก้อนหนึ่งอีกกันหนึหลงพ่ะต้านต้านไม่ชอบปฏิเสธผักใสอย่างที่คุยกับพระชีชาวจีนเมื่อวานเนี่ยหลายคนไม่ชอบความคิดฟุงฟ้งซ่นานความย้านฟุ้งซ่านเข้าก็ไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเพราะเห็นว่า ไม่ทำให้ให้หลงมันเป็นศัตรูของตัวรู้แต่หารู้ไม่ความไม่ชอบนั่นแหละที่ทำให้ความรู้เนี่ยมันหายไปนะมันหลอกล่อดีมากนะพอรู้ว่าตัวความคิดมันจะทำให้หลงก็เลยไม่ชอบนะแต่แล้ว ก็หารู้มาว่าความไม่ชอบนั่นแหละที่มันก็ทําให้หลงได้อีกแบบหนึง่งเพราะว่าพอไม่ชอบแล้วเนี่ยมันแทนที่จะรูนะ้แทนที่จะมีความรู้ชัดนะมันก็กลายเป็นมีความพยายามที่ผักใสเกิดอารมณ์ขึ้นมานะชอบก็ทําให้หลงไม่ชอบก็ทําให้หลงได้เหมือนกันนะเพราะนั้นต้องรู้ทันนะความไม่ชอบ รู้ทันเมื่อมีอาการไม่ชอบความฟุง้งซ่านไม่ชอบความโกรธทำนองเดียวกันเมื่อมีความสุขมีความเพลิดเพลินก็ใจมันชอบมนแล้วก็ให้รู้ทันพอถ้าชอบแล้วพอถ้าชอบแล้วไม่รู้ทันก็หลงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิธี ท, ทาให วิธีที่จะเลี้ยงตัวรู้ให้มีกำลังคือว่าฝึกให้วางใจเป็นกลางชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้นะความโกรธเกิดขึ้นถ้ารู้ถือว่าดีแต่ความแต่ตรงข้ามความสู่เกิดขึ้นกับไม่รู้อันนี้ไม่ดีในทางสมถะกรรมฐานอาจจะถือว่าดีก็ได้นะเมื่อใจสงบ ใจฟุ้งซ่านก็ถือไม่ดีแต่ในการเจริญสติปัฏฐานหรือที่มุ่งสู่วิปัสสนานี่นะโกรธแล้วรู้นะดีกว่าสงบเย็นแล้วไม่รู้สิ่งที่วัดความก้าวหน้าสิ่งที่ชี้ชัดว่ามีความก้าวหน้าเพียงใดคือว่าอยู่ที่รู้รู้บ่อยรู้ถี่แค่ไหนรู้ว่ารู้ทันในทุกพัรษะในทุก จะเรียกว่าไอา้ตัณที่เกิดขึ้นก็ได้ไอ้ตัณภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายรูมทั้งรู้ธรรมารมณ์รู้ทันธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้อย่างเดียวนะไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นนอะกจากรู้ถ้าทำอย่างอื่นนอกจากนั้นก็ง่ายที่จะหลงจะว่าไป การที่เราแค่รู้เฉ ย, เยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันน่าจะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่ามันก็แค่นั่งดูอยู่เฉยเหมือนกับเรานั่งดูกระแสะนา้ามันน่าจะง่ายนะง่ายกว่าการที่เข้าไปไว่ายน้ําไปลุยน้ําหรือว่าไปพยายามดึงเรือสำราญไม่ให้มันไหล แล่นผ่านเราไปหรือว่าเข้าหาเรือสำราญเพื่อได้ไปสนุกสำราญบนเรือในการดูยยเฉินน่าจะง่ายกว่าการที่ไปเหนื่อยกับการผักใสหรือว่าเคลียกอสวะหมาเน่าให้มันห่างไปไปไกล แต่คนเรากลับเลือกวิธีหลังนะคือว่าแทนที่จะนั่งอยู่เฉยๆแค่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรผ่านมาเห็นมันผ่านไปก็กลับไปอินนงตุงนังนะกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาชอบก็อยากยึดเอาไว้ให้อยู่กับเรานานๆชังก็อยากจะผลักออกไปการรีแอคนี่มันน่าจะเป็นเรื่องที่เราทำเป็นอันดับสุดท้ายเพราะมันเหนื่อย แต่คนเราเลือกกับทำสิ่งที่เหนื่อยในสิ่งที่ไม่เหนื่อยการดูเฉยเฉยนี่กลับไม่ทำก็แปลกดีกลายไปว่าการอยู่เฉยเฉยกลายเป็นเรื่องยากการที่ไปรีแอคเนะี่ยไขว่คว้าหรือผักสายกลายเป็นเรื่องง่ายพอจะไม่พอจะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปรีแอคกับมันแค่ดูเฉยเฉยแค่รู้เฉยเฉยนี่กลับกลายเป็นเรื่องยากไปซะและ้วนี่พอเราถูกครอังได้ตัวหลงมากนะ แต่ถ้าเรารู้รู้ชัดเนี่ยมันก็ในส่วก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าทำเป็นนิสัยชั่นนี้พูกันเท่านี้นะ